ว่าความดีของคนที่เราจะไปทำก็มีสามแบงการคือหนึ่งทานสมัยบนพื้นแบงการบริจาคทานสองศีลสมัยบุพื้นแบงการเจริญรักษาศีลสามภาวนาหมัยบุพื้นแบงการเจริญภาวนาทานในบรรดาจะพูดบริษัทแห่แล้ววันนี้เป็นยอดของอาลิสงเพราะทานินองค์ต้องได้ประสัมมาพระเจ้างัดเลยสามประเทศก็เป็นสีประเทศดกัน คือหนึ่งปาดีบุกคลิสัตยานให้บริสุทธ์ของคนแต่ไหวพระเฉพาะองค์นั้นเฉพาะองค์นี้เท่ า, ท า, ทานั้ปาดีบุกคลิสัตยานอย่างมีเมีอิสงไม่เสมอกัน <c oughs> ท่านที่ไม่มีศีลเลยให้ทานแล้วไม่มีอิสงท่านที่มีศีลแล้วก็เคยมีศีลแล้วจะศีลขาดให้ทานอนิสง์ถ้าให้บาตรได้อิสง์ไม่ถึงหนึ่งก็ท่านที่มีศีลบริสุทธิ์ให้บาตรมีอิสงหนึ่งใบ ให้ที่ท่านที่มีชาสมาบัตให้หนึ่งบาทมีกำไรแสนบาทท่านที่เป็นพระอริยเจ้าให้หนึ่งบาทมีกำไรหลายล้านบาทแต่ว่าให้จะพระอริยเจ้าถึงขั้นพระรหันก็จะสู้ให้พันกับพระบาทเจ้พุทธเจ้าไปได้ที่พุทธเจ้าสรงไว่าถวายทานจะพาอบบุคคลแต่พระบาทเจพุทธเจ้าร้อยครั้งมีขอโทษแต่พระรหันร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานกับพระบาทเจ้พุทธเจ้าต่าง ถวายทานกั บ, บพระบาทเจ้าเจ้ารอยกลางมีผลไม่เท่าถวายทานในสมเด็จพระสัมมาจาุตเจ้ารอยกลางอันนี้เป็นส่วนหนึต่อไปองค์สมเด็จพระเทสสุปลุลทรงจัดเป็นอาวิสสงของสังฆทานสวิหานทานและสมรมทานองค์สมเด็จพระพิจิตมาทรงแต่งว่าการให้ถวายทานในองค์สมเด็จพระสัมมาจุตเจ้าเองรอยกลางมีผลไม่เท่าถวายสังฆทานหนึ่งครั้ง วันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถวายทานเป็นสังฆทานทั้งหมด <c oughs> ข้าวอาหารที่พระฉันเวลานี้นทุกคนถวายแล้วเป็นสังฆทานท่านจะนําให้คนนํากล่าวถวายสังทานหรือไม่นํากล่าวก็เป็นสังฆทานการถวายสังฆทานมันต้องว่าอะไรเป็นมากว่ามากมากเกินไปตอนสายพระหิวตกโรคไปเลยตกจริงๆ เวลาจะถวายผ่าต้องเข้าใจว่าพระนันมรได้ฉันตอนเยูนก็มีหลายบ้านมาแต่มายังรับนิมนต์อยู่่าทีสามโมงยังไม่ได้กินก็เลยนั่งดูด้วยกำลังข็อนาทก้งสียาว่าคนพวกนี้ที่เป็นเจียวพพกับรสมากะบางทีคอยคนคนเดียวยังระเจิญพระไม่ได้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วแต่คนนั้นไม่มีปูไม่้ยงไม่มาย้ายไม่มา พระก็อยู่แสงอยู่ไดใช้อนาคตางสิญญาอยู่ว่าคนผู้นี้จะไปไหนโลนเอาเวทีหมากันหรอกในสิญญาเนี่ยเขาไม่สิ้นแน่ใ น, ใ, นในตายเราไปแน่เขต้องรู้การทําบุญเขาจะทำความดีบุญเนี่ยแปลว่าดีไม่จะแปลว้ชั่วถ้าเราทรมานชาแบบนั้นมันดีหรือมันชั่วถ้าแสดงมันชั่วเราจะทําบาปบาปจ่แปลว่าชั่ว เนื่องการทําบุญต้องเป็นบุญนามันเป็นบาปใ้บริการในสอนถ้าจัดการงานทําบุญกุศลที่บ้านอย่าให้มีบาปมันก็มาฝังหน้าคือบาปก็หมายความมืดบุญก็หมายความสว่างเวลาไหนถ้ามืดมีเวลานั้นต้องไม่สว่างเวลาไหนสว่างมีเวลานั้นต้องไม่มีมืดนั่นก็หมายความว่าเวลาทําบุญให้บาปมันมาก่อนบาปมาแบบไหนมันมาเป็นน้ํา นดับแรก i, มันไหลมาในจากควรก่อนขวดเรานี่บาป ก, การฆ่าตัดชีวิตหวังการทำบุญนี่บาปถ้าจิตแปอกุศลจิตเป็นบาปอารมณ์เกุศลมันเข้าไม่ได้กรากำลังใจต้องบุกของเรารับอา ร, รมณ์อารมณ์เดียวเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งคำว่ารักมันจะหมายว่ารักในฐานะผู้ชายรักกันไม่จําเป็นรักแบบธรรมดาใธรรดาด้วยควยามเมตตา เราจะมีความรู้สึกว่าคนคนนั้นไม่มีอะไรชั่วเลยเป็นญาตเรารักแต่เวลาโกขึ้นมาไอ้คนคนเดียวกันหาดีไม่ได้เหมือนกันทั้งนี้เพราะอะเพราะจิตใจขเข ร, รับอารมณ์อารมณ์เดียวเวลารักก็รู้สึกเขาดีหมดเวลาเกิดขึ้นมารู้สึกว่าคนนั้นชั่วหมดการทำบุญเป็นกุศลก็เช่นเดียวกันถ้าจิตมันไปรับอกุศลจะรับบาปเสก่อน เลงใจญาติที่มาเขาจะกินเหล้ า, า, เ, า, ข า, า เ, เขาจะกินน้ํตาลเมาเขาจะกินน้าขาวเอาบริเวณเขาเลงไว้กับแก้มทหารจะไม่รอดต้องฆ่าปลาข่างกันีน่บาปเข้ามาก่อดบุญเข้ามาในเลยงานนั้นต่อมาการรับนิมนต์ไปฉันที่บ้านสวดมนต์ที่บ้านประมาณยี่สิบปีคันต้องเลยมองมองแล้วหลายหลายบ้านปีหนึ่งบันจีเห็นไต้บุญสัม ป, ปันเลย เราคิดในใจว่าเราเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไปไหนต้องการให้คนมีความสุขความสุขชาตินี้มีน้อยแตความสุขชาติหน้านมีมากแต่ว่าไปแล้วคนหลายเหล่านั้นไม่มีความสุขเราจะไปทําไมก็เลยเลือกรับนิมลตที่เลือกรับนิมลตเป็น ป, ปเหตุนี้นะเราขึ้นไปแ ล, ล้วเจะระสรรค์รลกกันไปทำไมกันต้องการขึ้นบ้านแล้วต้องการอย่างต่ำที่สุดคือเทวดากับนางฟ้าคือคนพวกนั้นมีใจเป็นนางเป็นเทวดาเป็นนางฟ้า ก็อะไรเพื่อาการดูคนบินของไม่ยากไม่จําเป็นต้องเจ็บหน้าคนจริงแค่ใช้เจตุ ร, ปรยปียาตก็ทราบกับายภายในก็เป็นอะไรแต่คนนั้นจะเป็นสัตว์นรกตายด้วยสัตว์นรกเหงกายภายในด้วยสัตว์นรกชักถ้าเป็นเศษเป็นตัวกายเป็นสติสัง ก, า ย, รรกายขาย้างในมันเป็นอยู่ก่อนจะตายแล้วถ้าเห็นว่าคนไหนบั่นไหนก้ากายขาย้างในเป็นเทวดาแลือเป็นคนเราก็ดีใจ แท้จริงไม่มีการรับมรดกต่อไปเสียซึ <c oughs> ่งการที่บรรดา ญ, ญาติโยมบริษัทถวายทานวันนี้เป็นสังฆทานและก็จงจอย่าลืมว่าสังฆทานแต่ไม่จําเป็นต้องว่านําก็ได้ที่ว่านําำเพราะคนไหลายคนก็ต้องการให้จิตใจพร้อมกันถ้าตั้งใจพร้อมกันก็เป็นผลแต่ความจริงเราไม่ว่าอะไรเลยพระนั่งอยู่ตั้งแต่ซีอโอขึ้นไปทุกอย่างที่เคยเกินก็ไปเป็นสังฆทานหมด ถ้ามีพระองค์เดียวนั่งอยู่เราต้องการถวายสังฆทานก็บอกท่านพระขอส่วนนี้ผลถวายที่สังฆทานครับเท่านี้เป็นสังฆทานสอดีแล้วก็ไม่โยกด้วยให้คนนําดีไม่ดีแตงอาเชื่อว่ายาเยื่อยาเยืดอย า, ยยาไปกับลำคาญไอป่านวัดไหมน้าเจียกัดใจเศร้าหมองโดยหางสังฆทานหายไปไอสงฆหายไปจะรวมความทำทุกอย่างทําให้มันง่ายๆพระองค์สมเด็จจอมใจไม่ไรงแนะนําการทํายาก ในการทํายากิจะมาสร้างกันทีหลังถราสมเด็จพระสัมมาวุฒิญา้าทรงตัดเรื่อการถวายสังฆทานหนึ่งครั้งมีผลเกินกว่าการถวายสังฆทานแต่พระเจ้าเอียงร้อยครั้งที่บรรดาทรามพุทธบริษัททำแล้วถ้าการถวายทานเป็นปัจจัยตัดโลภะความโลภเป็นก้าวที่หนึ่งที่เราจะเข้าถึงนิพพานและในกาลที่สองต่อมาบรรดาธรรมพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจและส ม, มาทานสี่ ทนี้ขอให้สมาทานก็ใีความเคารพมีความสาคัญมากแต่วันนี้ตัวโบตุสิ น, นุสิบแปดที่ขาบทเท่ากันสูงไปนิด เ, เฉพาะเวลาโดยเฉพา อ, อย่างยิ่งเทวาัตในสันที่นุ่งพันมากก็คือสิบห้าที่เรียกวันนี้จะตีองรักษาให้ได้ต่อไปภาวานาใหมบ่บรรดาธรรมุตวัยสัตยหลายฝั่งองีกภาวานาเร่เราใช้ปัญญา เราจะนั่งภาวนาว่าพุทโธธรมโมสังโฆก็ได้ภาวนาไปยังไงก็ได้ถ้าเราไม่ภาวนาแล้วกลาลังใจฟังเทศน์ธรรมพิเศษโยนี่มันจะโตปัญญาเรือเขาภาวนาไหมอันนี้เป็นปัจจัยเข้าถึงที่พระนิพพานเป็นั้นว่ากํลาลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทเพื่อหวังนิพพานวันนี้ครบถ้วนต่การมาครบถ้วนของแล้วครบแต่ใจเราครบหลายอยา่างอันนี้เป็นเรื่องของบรรดาแต่พุทธบริษัท การเลื่อมที่เป็นวาทำพุทธบริษัทมาย่างตาในวัดมาที่วัดนี้ปั่งเขาี่อืน่นมาก่อนบั่งการแปลดับแรกบรรดาในพุทธบริษัทมู่งประสงค์ยังตั้งใจจะไปหาหลวงปูงแหวนตั้งใจไปหาหลวงพวัดประทับปราบประบาทตา่ตางชาเร็นต้นอยู่ในประการ ต, ตั้งใจไปเทียนแรกตั้งใจไปหาพระสงฆ์การตั้งใจจะไปหาพระสงฆ์ทพระพุทธเจ้าสง์เรียกว่าสังขารุสติกกรรมฐาน ขณะที่ตั้งใจคิดว่าจะไปใค่เวลากี่วันก็ตามเวลานั้นเป็นฌานในสังขารนิสิติธรรมฐานถ้าตั้งใจคิดว่าเราจะไปหาพระอันนี้อเด็กข้างดอยทำมีเมียใช่ก้องนะลูกใครตั้งใจจะไปหาพระตั้งใจพระไปประเทศฟังธรรมจากพระคิดว่าจะไปฟังธรรมจากพระนี่เป็นธรรมานุสิตธรรมฐน ได้ลูกใครเอ็มไปเสียงดังเอมไปไกลๆหน่อยนะแม่หูหนวกได้ยังไงและการที่ไปหาพระในบรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ต้องนึกว่าพระสงฆ์ทุกองค์เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นได้พระวันพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์เกิดขึ้นมาไม่ได้รวบความประการนึกถึงพระสงฆ์คราวหนึ่งให้นึกถึงพระธรรมโดยเฉพระเปเจ้าด้วย จัดว่านึกถึงพระสงฆ์ครั้งเดียวจะเปลี่นุทธิสามดกายคือพุทธานุตติธรรมานุตติสังฆานุตติถ้าหากว่าบรรดาแต่พุผู้ถวายสัทวมีความเคารพพระอริยสงฆ์มีความจ ร, ริงใจสําหรับพระสงฆ์นี่ขอล็อกไว้แคบพระอาริยสงฆ์นะถ้าพระสงฆ์ธรรดามาันจะติปากเลยได้ใช่ไหมีไม่ดีกภพาญาติโยมลงอาวุีไปเลย เราว่าแต่แค่พระอริยสองฆ์ใ น, นไม่ในไหนไม่ใช่พระอริาะก็ไปเรื่ อ, องตางถ้าท่านมีความเคารพพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมจริงและพระอริยสงฆ์จริงและก็ทุกคนปฏิบัติศีลห้าได้จริงเอาก็อย่างจริงๆนะไอ้วันหนึ่งถึงถ้งาพอพอจะหลับสมาทานศีลห้าเราก็นอนหลับศีลไม่ขาดก็ใช้ไม่ได้มันต้องสมาทานก็ต้งเช้าดูคําว่าสมาทานก็ไม่จำเป็นใช้วิรัตก็แล้วกัน สมาทานกล่าวด้วยวาจาวีรัตน์นึกแใจสําคัญเือคําว่าวีรัตนคือตั้งใจว่า ว, วันนี้เราจะไม่ยอมละเมิดสิ่งหา้าเด็ดขาดถ้าบรรดาญาโยมบ ร, ริษัททุกคนไม่ละเมิดสิ่ง ห, างานหน้ามีความเคารพในพระไตรชนาคมแน่นอนอย่างนี้องค์สมเด็จพระเจ้าวราวงศ์สมบัติว่าท่านผู้นั้นเป็นพระสงฆตาป็น การบําเพ็ญของบุญบุญส่วนของบัดาลพระพุทธบริษัทว์ท่านอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นบัณฑาบันถ้าไม่เป็นบโณดาบั น, ป เ, ป น, บบนเราก็ขาดคนในสายเกิดถ้าพลาดหน่อยเดียวเราลงอบายผุนนี่เรามาเป็นคนแล้วก็ก็ไม่ควรจกลับไปนรกใหม่ไปนรกใหม่ควรจะกลับขึ้นมาได้มันนานแสนนานจะลืมว่าแสงกลับปริมาตรยที่นี้หรอกแต่แคนที่เกิดมาในชาตินี้ถ้าลงนรกขาดคงขนาดนะัก ทางนี้เพราร่อยว่าถ้าคนที่มาได้เป็นประโสงดาบันในกําลังใจมีความมั่นคงในศีล ม, มั่นคงในธรรมพอสมควรเวลาตายจริงๆบางอื่นไปนเกิดเป็นสวรรค์หรือเป็นพุทธโลกต่างกําลังถ้าจิตใจเขาบุคคลผู้นั้นตั้งใจคิดว่าชาตินี้ถ้าตายมาไหลาขอไปนิพพานแต่บางเอื่นมันยังไปนิพพานไม่ได้กําลังใจอ่อนเกินไปแต่ว่าไปสวรรค์ได้ไปพุมาโลกได้ อ่นพวกนี้ก็ไม่ได้กลับมาพอจะตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสุวดาแล้วผมยันลืมว่ากลับนี้มันเข้ามาประมาณเกือบครึ่งกลับเหลือวเวลีประมาณครึ่งกับเศษเศษเวลาเวลาในครึ่งกับเศษเศษหลังจากนี้ไปเมื่อพระศาสนานี้หมดไปต่อมาพระเจ้ามาใหม่หกองคือตั้งแต่ภาษีอธิยะเมตไรวีโอที่ห้าตนแรกทุตที่สองมาอห้าองค์มีพระรามหนึ่งตน เราเป็นทวรรดาหรือผมฟังเทศเจ้าพระเจ้าหกองค์ไม่ได้นปานนี้ปาให้มันโลโลกันไปเลยมันเร็วมากแต่ส่วนใหญ่ที่เข้าฟังกันอย่างสุปฏิทารเทบหมดเป็นคนที่สร้างกวามทุกข์ในอกสนมากที่สุดเมื่อกี้ในก่อนจะเทศน์พระธรบอกเอาเรื่องสุปฏิทารเทพหมดหรอังกละเทบหมดมาบอกเนีทราบก็ขอนามาหน่อยอย่างสุปฏิทารเทบหมดที่เกิดมาคนสมัยเป็นมนุษย์เทินเร็วที่สุด ทำแบบเลวที่สุดเราประมวลความเลวของคนที่นั่งในสลานี้ทั้งหมดที่ทำบาปเอาผลสนละมากองไว้เป็นกองเดียวกันสุกทิทีตามมีมากกว่านั้นมากขึ้นที่ว่าความดีนิดหนึ่งไม่ยอมทำแต่ว่าพอใกล้จะตายร่างตายตุกประมาณมากเจ็บปวดมากกระนั้นทงพระพุทธเจ้าของพระเจ้ามาถ่วยแค่นี้ เวลานั้นใจนึกถึงพระพุทธเจ้านี้เกี่ยวตายแจกความในคนเป็นไปเกิดเป็นทเทวดาเบนสวรรค์เช่นดาวันจะเกิดเวดาวโลกพอพระพุทเจ้าเป็นเทพตัวพุทธมารดาฟังเทศจบเดียวเป็นพระโสดาบันเพราะนั้นบาปเกา่ากรรมกรรมเก่าทั้งหมดสลายตัวไปเวลานี้เป็นเป็นเทวดาพระโสดาบันถ้าเป็นนว่าอบายัยภูมิจะไม่เกิด อ, อีกฉะนั้นขอบรุดาพระพุทธบริษัททุกท่าน การทำบุญนับแต่แต่ที่แล้วมาอาจจะมีใครฟังกินนั่งในที่นี้ทรงสินห้าบริสุทธิ์ใ้การทรงสินห้าบริสุทธิ์การที่เคารพพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในวัดก็ที่สินห้าห้ามีญสินห้าครบทั้งแสดงว่ามีความเคารพพระพุทธเจา้าจริงพระธรรมจริงพระอริยสงฆ์อยู่และเมื่อความแน่นนอนของใจมันรดา ย, ยากโยวมวิถีหลายโมงไม่จบเดียว ว่าร่างกายนี้ตายเมื่อไรขอปนิพพานเหมือ น, นั้นเท่านี้แหละเวลาจะตายจริงๆจะจิตมันนึกนิพพานหน่อยถึงก่อนเพราะต้องเริ่อมป่วยใหม่ๆกําลังใจนึกนิพพานว่าคราวนี้ถ้าบังเอิญเมีตายขอปนิพพานถ้าต่อมาร่างกายมันมีทุกข์ป่วยตานานหนักดิ้นตุมตามโคมคําโดดไฟโดดมาดิ้นไฟดิ้นมาเวลานั้นใครพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่อง แต่ว่าอารมณ์เดิมข้อจิตมันจะไม่ปล่อยทำมั น, นผ่านเร <c oughs> ื่องตายเมื่อไรก็ไปในพัน ท, ทันทีอันนี้เป็นของง่ายๆแต่ว่าเวลานี้บรรดาท่าพุทธบริษัทหลายเจริญก็มาถ่านกันดีมากมีความเข้มข้นดีมากตามคำพยายกรณ์พระองค์สมเด็จพระพุทธมีระท้าเจ้าตรงทุกอย่างคือพระพุตรเจ้าผู้ไรที่ไม่คิดจะมาเองต้องไปสู่ทางสอองพระเจ้า ะะก็คำพยากรณนี้อ่านมาตัต้ง่ปี2480ท่านบอกว่ารังจากผู้จัธการไปแล้วพระพุทธศสาสนาจะรุ่งเรืองกว่ารัตนเลยและก็จะมีพระอริยาจ้ามาคล้ายสมัยพระองค์ยังอยู่แต่สมเด็จพ้าพพระมครูก็บอกว่าพระศาสนาจะสุดพมิญญาสุดไปเลยนะครับล่ะดังเสี่ยวกับสส4 5 7เรื่องภายหลัง เริ่มตัวพศพศสอง พ, พ, พันหร้อยห้าห้าพันพศห้าพันปีเกิดขึ้นสมัยตัพุทธศาสนาสลายตัวแต่กว่าพุทธศาสนาสลายตัวพวกเราก็ตายหมดจะเป็นไรจะพังก็พังไปพวกเราได้ดีก็แล้วไปเรื่องนี้ก็ต้องวีโสูตรสมัยนั้นไม่มีสำนักพระกรรมฐานมีก็ต้องเงียบเงียบเพราะหลังจะเกิดปฏิการมาแล้วสำนักพุทกรรมฐานมีมากขึ้น เวลานี้ก like so ็เป็นสุดในการรับคำสอนข้ามาดาจากบริษัทคำสอนการสอนมโนยทธิ์นี่เป็นการที่สุดคุณความดีข้ามาดาจากบริษัทรบถ้าระยะสองข้างสุขเวิสโกนัดปฏิบัติโกมุกปรญญาได้นั่งไปแด้มานั่งเยียบอีตอนนั่งหลับตาด่าใครมันกบดีลืมตามาแม่สมาธิมันเป้งมันเฟ้งแน่ต่างใจได้ก็บ้ ดาตลอดเวลาเลยลงในระกไปท่านข้าพเดิมขั้นวิชาสามวิชาสามนี่ก็ไม่ได้เพราะครูไม่อสอนไอ้ครูที่สอนตรงมันจะรู้หรือ ไ, ไ, ไม่รู้ไม่สอนนะอาดจะมาลงถ้าวิชาสามได้ต้องได้ทิพย์กุญยกับะระลึกศาสตร์สองอย่างอันนี้ถาสอนวิชาสามก็ยังน้อยเกินไปมาเรสอนขั้นข้อพิยาหกเวลานี้เป็นหลักสูตรของอพิยาห ที่ต้องการหลักสูตรพระยาออกมาก่อนลวเพาะมีพระญาติโยมพระเ็ศักดมีความเข้มแข็งมากที่รู้ว่าเข้มแข็งคือสอพันห้าร้อยจริงๆพยายามสอนธรรมมาไม่มีก็ได้เลยมาพอสองพันห้าร้อยแปดได้ประมาณแปสิบคนพอสองพัห้าร้ 1, อยเก้าเสองพั 1, นห้ารอยจถึงปลายปีไม่มีใครได้เลยสิบคหลังจากนั้นพร ะ, พระยเจ้าทรงมาบอกว่า ทำสอนนี่นแข็งแข็งเกินไปกำลังใจของคนเวลานี้ตัดพาดปัญญาเท่ปัญญาละสัญญาอย่างซ้ำเกินไปอ่อนเกินไปให้ลดกำลังเขาปัญญาลงเลยไม่กำลังขึ้นชาสามแต่วา ง, งานทุกอย่างเป็นกำลังเขาปัญญาทิ้งได้ง่ายง่ายได้มาตอนแรกกระตาะแตะต่อนแ ต, ต, แตกกว่ า, าตามเปรี ต่อมาก็เพิ่มความเข้มแข็งต่อมาก็ะเพิ่มการท่องเทื่อวสวรรค์นรกต่อมาเวลานี้ก็เพิ่มยานแปดรู้สึกมีความเข้มแข็งมากสำหรับการฝึกปฏิบัติได้ยานแปดไอ้ยาดแปดนี่ก็คือพิจูยานเ่งไม่มีอะไรการคนหนักใจว่ายานแปดเป็ยังไงยากจริงๆที่วันต้นถ้าตอนต้นได้แต่ตอนหลังไม่มีอะไรแช่ลมตามเดิม บางคนบกลับไปบ้านไม่กลา้าจะทำเพราะไม่มีโคๆๆรงควบคุมตัวเลยให้พรมันขอโลเวนจีใหม่ตามเดิม น, นะของดีให้อะไรไม่ได้เราจะให้รักษาเวนจีไว้คือทรงตัวแล้วก็เร็้ยวกลืนไปตอนนี้ก็ไม่จะไม่เด็กไม่ได้ตรวจใช้ไม่ตรวจแต่ว่ารู้สึกว่ามีกําลังใจว่าคนเขาเจอไม่พอในความดีแบบเพื่อนนี้เขาต้องกันมาหลายร้อยทั่วคนแล้ว แต่ไมสา ม, มารถจแกวิชาไหนสอนได้เวลานี้ให้เวลาเจ็ดวันบัรทาสุขถ้าเจ็ดวันใครฝึกไม่ได้ก็ไม่ครบแล้วเพมันเร็วเกินไปถ้าส่วนใหญ่ที่อย่างชาติจริงเขาปฏิบัติแต่สีวันไอ้สีวันนี้นีไม่ถึงสิบคนตั้งมาหลายปีแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะาคนเอาดีคนต้องการดีคนไม่ต้องการดีพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องการพระสาวกพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องการ จะนั้นท่านที่ได้แลแ้วคนจะใช้ยานต่างๆให้มีประโยชน์การทําบุญกับประสงค์นี้ไม่ใช่ไปจะได้บุญทุกอง์เอวัดถ้าทรงนี่ก็ไม่แน่วจะได้บุญโยมให้แล้วพ้าก็เอาหมดยอตมานม่ให้ไม่ไม่ส่งคืคนอะไรไม่ว่าวัดไหนตั้มืต่ก่อนที่เราจะไปทําบุญเราเลือกเสก่อนเลื้อนาบุญที่มีค่าไม่สมอยกัน ถ้าเราหวานข้าวเราหวันพืชนาตอนเกินไปน้ำํำผลไม่ดีถ้าไม่ดีต้องมางตายหมดรุ่มเกินไปน้าําก็ทมหมดพระพุทธเจ้าจะไหวอย่างนั้นเลือดเนื้อนาที่พอดีพอดพืชมันจะเกิดการบำรุงอุปสนก็เป็นไปนี่าการที่พระพุทธเจ้าให้วิชานี้ไว้ก็ต้องการให้บรนดาจะพุทธวิสัยลายเรื่องเนื้อนาบพื้นเพียงทีจะทำบุก่อนที่จะไปทําบุญที่ไหน อย่างลวพูอหวานพราะบาดตาผ้าเนี่ยไม่ต้องดูก็ได้ดูไปเสียเวลาดูแล้วเป็นก็ดีเลยเหมือนกันง่าดูเสียร็เส็บตาเสียเวลาเนี่ยก็ไงท่านก็ดีแน่ให้ปัดจุบกระดังสียานว่าท่านที่เราจะไปทําบุญด้วยในเวลานี้ท่านมีความดีทัานไหนถ้ามีความดีท่านสิงบริสุทธ์ด้วยทางโลกีต่อไปก็ใช้อันนายกรดังสียาน ว่าในที่สุดของชีวิตเมื่อท่านตายจะตายจากความเป็นคนตายแล้วจากเวลาจะตายจะมีผลในการปฏิบัติท่านไหนตายแล้วท่านไปอยู่ทไหนถ้าไปอยู่จักรวาแล้วก็ได้บุญสามหนึ่งในสามถ้าไปอยู่ลมแล้วก็ได้บุญสองในสามถ้าไปนิพพานได้บุญเต็มที่ร้อยปร์เซนตบุญนี่สมบูรณ์แบบมากถ้าไปาานิพพานนี่ท่านพานเนปะ็นสมบุญเลย แค่บัเอิญใช้อนายขาตังสญยานนักปฏิบัติปัญญาสยานปฏิบัติปัญญาสยานยันเวลา ป, าปัจจุบันเพราะเวลานี้พระอุณ้เลเธอะมากก็ใช้อติสตังสยานคอยหลังเข้าไปดูว่าความเลเธอะเขาทําอะไรมากแล้วก็นั่งดูโทรศัพท์ในเองภาพมันก็จะชัดเหมือนกับดูโทรศัพท์ ก, ก็แท่งความพยายามปวามเปียนอะไรบ้างแล้ดูอนายขาตางังสยาณต่อไปว่าตาแยแจกความมีคนจะไปไหน ถ้าไปในรกก็ไปเดนเปล่ถ้าญาติโยมพุทธบริษัทสมัครใจไปในรกไปเปลยก็ไปทําบุญกระเพาะหม่งนั้นเรื่องตามต่อไปเข้าไหมแมวะแมวโง่มันจะในรกจะเป็นน้ำว่าความรู้เนี่ยดีพระพุทธเจ้าจะนไ้เก็ไม่ต้องการให้มันได้ทำพุทธบริษัทหลายเสียงเงินเสียทองเสียเวลาเสียทองไอฉากเบื้องหน้าของคนต่อคนมันดี เดีย๋ยวหรือว่าพระที่ดีจริงๆฉากข้างหน้ามันก็จะดีที่เกียริแรงชาตอย่างวัดพระบาทจาผ้าในี่ยไปทัว่วแกรงแยะแเกะแค่นั้ถ้าไม่เคยสร้างความเป็นหนของท่นอย่างกองผู้ปูแวนเนี่ยไปก็แย่ั้น่นะท่นก็ทําแบบนั้นไม่เคยเอาใจใครเข า, าไม่เอาใจใครก็หมายว่าท่านแก่แเอาใจคนไม่ไหวแล้วแล้วแต่ก็คิดว่าครยะมาใครจไปก็ไม่เป็นไรเรามีธรรมมาให้ นการเอาใจของพระอริยเจ้าสูงย่อมไม่มีเจ้ประดาท่านอย่างไรเห ล, าล่านั้นถ้านอย่างไรเห ล, าล่านั้นจะมุ่งอย่างเดียถึงความดีของคนจะ เ, เงินเข้าเว็นแรกในการรับแผกคูณจะต้องการกลับสวายเงินทั้งแสนสองแสนลาบสองล้านไม่มีความหมายพอาะท่านทราบว่าท่านตายแล้วจะแบกเงินก็ไม่ได้ถ้ามีความโลภในราบท่านกลับไปนิพพานไม่ได้มีไม่ดีครับยไปสวรรค์ไม่ได้ รวมความว่าท่านต้องการอย่างเดียวคือใครเวลาที่เรจะไปห า, าพระคนนั้นก็ต้องดูเลลวลาเบียร์ที่ท่านตั้งไว้ไงท่านแก่แล้วพระก็ต้องเลย่งเขาตั้งเวลาไว้เวลาไหนเราไปเวลานั้นหมดเลกก็ไม่เป็ก็หมดหมดเรื่องถ้าไปลุกลาเวลาทําให้ท่านลำคันใจจะลืมนะพยาโยมท่านขายานันจบไอคนนี้ศรัทธามากเอาไป้ขุมไหนดีวะ่ะ เออไม่มีความดีมากเราไหวตื่นตื่นไม่ได้เพืจะกลับไปเรารักมันมา ก, า ไ, กไหวโลกรันเถอะเปิไฟมากนี่ระวังให้ดีการบริหาพระพระก็เหมือนไฟไฟกองใหญ่ถ้ากระยิ่งดีมากเทายไฟยิ่งกองมากเท่านั้นถ้าเราใช้ไฟเป็นประโยชน์แล้วก็หังต้มได้พิงกันนอนได้ถ้าเผลอไฟไฟไม่ปั่นจะไปแตงใหญ่ข้อนี้เป็นใดปัญดาพระสงฆ์ในพืชศาสนาก็เช่นีย ขบรรดาในพุทธบริษัททุกท่านที่มีความเคารพพระให้มีความเคารพหลวแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งขวัญดาญาโยมพุทธบริษัทหลวงทใจพวกเราให้เป็าพระทุกทคว่าใจเป็ปนพระตัวแล่นก็เป็นพระด้วยคาว่าพระไม่จำเป็นต้องหมผ้าเหลืองพระนั่นอยู่ที่การตักกิเลสบุคคลใดเป็นพระโสดาบานันองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมเด็พระเจ้าท่านเรียกพวกนั้นว่าเป็นพระ เป็นพระเป็นกฤตพระเป็นเลนเป็นกฤตพระเป็นครว่าเป็นกฤตพระในความเป็นพระจริงๆอยู่ที่จิตสะอาดารามณ์เขาบะโซดาบันจริงๆนะพ ร, ระพุทธเจพาอรมณลกนากโซนตัดกตีคาวุบาศกจำไม่ดีนะนี่พระพุทธเจ้าจัดทองตีคาวุบาศกกําลังป่วยหนะักพระพุทธเจ้าจงเห็นผลก็ อ, อ, อนาคามีผลว่าเธอจะได้อนาคามีผล ดันสู้ตรงสมเด็จพระทศกัณท์นี้เข้าไปเยี่ยมถึงบ้านเข้าไปแล้วลนนทั้งการรบวยดาบพันธ์ทามทีคาวุเธอมีความเคารพไปพระอริยเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจใช่ไหมมีความมั่นคงไม่สงสัยใช่ไหมจะบอกภาษาไทยครับเธอมีความเคารพใ น, น, นสิ่ปริสัทธิ์การางสินดีเยี่ยมอย่างที่พระอริยเจ้าต้องการใช่ไหมคําว่าพระอริยเจ้าต้องการจะหมายความท่านต้องการรักษาสินในบริสุทธิ์ ท่านทีขาวุฒิมสมบูร์ชัยครับพระพุทธเจ้าทรงยืนยันทันทีว่าเพียงเท่านี้เธอเป็นมโสดาบันแล้วเห็นไหมละ่ะโสดาบันนี้ไม่มีอะไรมากเลยต่ต่อไปองค์สมเด็จพระจอมใจก็ทรงเทศใจรักว่าเธอจงมีความรู้สึกนี้นวัดโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเที่ยงคนก็ไม่เที่ยงสัตว์ก็ไม่เที่ยงวัตถุทาตุก็มเที่ยง เพราะลายใบแก่และใบเก่าไปทุกวันแล้งโลกทั้งโลกเป็นทุกข์ถ้าเรายึดว่ามันเที่ยงกําลังใจจะทุก ต, ต่อไปเมและตายคือเปหลายตัวหมดคนทุกคนที่เกิดมาตายหมดสัตว์ทุกประเภทตายหมดวัตถุธาตุที่สร้างแข็งแรงไม่ชากระถางไม่สุกระังหมดเธอจงยึดหรืออะไรทั้งหมดวางเทียบปล่อยเสียมีความรู้สึกว่าโลกมีทต้องโลก เราไม่ต้องการมันอีกถ้าเกิดแลว้วก็เกิดไปมีหน้าที่อะไรก็ทําตามปกติแต่ว่ามีความต้องการจยดเดียวก็เรามาที่นี่เป็นขั้งสุดท้ายร่างกายนี้พังมาไร่ขึ้นชื่อว่าความเปมนุษย์ก็ดีเป็นโวนไายก็ดีเป็นทรงอดีไป่มีสำหรับเราเราต้องการเพียงเดีวที่ผานอันนี้เปลงว่าอรหันเนี่นยังไม่ต้องการลดสโลดีว่าโลกระดับโลกตัวนี้ตัดอวิชชาเรา พูดให้ฟังง่ายๆเลยที่เจ็ดพูดให้ฟังยากๆพูดให้ฟั ง, งยากๆให้คนพูดก็ไม่รู้เรื่องให้คนฟังก็ไม่รู้เรื่องพูดทำเตืออะไรเราพูดฟั ง, งง่ายๆพูดอย่างคนทําได้แต่หมายความการตัดอวิชชาโดยอานตรายก็ไมเยอะไม่รู้อวิชาเปยังไงอวิชาาในแปลไม่รู้วีว่วงได้ไคนที่เกิดมาไม่รู้แต่รู้จากตัวมันรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักกินรู้จากที่รู้ แต่ที่ไม่รู้จริงๆคือไม่รู้ตัวหลงการหลงเป็นมนุษย์เป็นเทวดากับผมเข้าใจว่าดีตรง้อวิชาต้องตัดตรงนี้ตัดความไม่พอตัดความพอใจในความเป็นมนุษย์เห็นว่ามนุษย์มันเป็นมนุษย์มันเร็วมันดีทุกไวต่อทิ่ตายมากเป็นเทวดากับผมดีแต่ดีแบบเดีย ว, เ, ยวเหมือนกับคนสากแดดร้อนเขาไปนั่งพักไปร่มไม้เดี๋ยวหนึ่งกระโดดมาแดมาร้อนไหม่ ทั้งหมดบนวาสนาบารมีเจตวิริยานพง ก, ก็ต้องกลับมาโดดใหม่ไม่เป็นเรื่องเราไม่ต้องการต้องการจุดเดียวคืออรหัเราเริ่มยึดฝาย น, นี้อารมอรหันต์เราต้องการแค่นี้จนะเรียกว่าถ้าเป็นมรโสาดาบันแล้วยึดอรมรหันต์เลยไม่ต้องไปไล่วาสกิกพาคานอนาคาไม่มีใครเขาทาแบบนั้นเลยไอคนฉลาดเกินไปตอนนี้ทาแบบนั้นแต่คุณก็โม้เขาเป็นแ คนโงโมันไม่รู้จักสระอิคาการนะครัมันรู้จักแค่ประโสโดาบันครับที่มีควานมาทำกั น, นเป็นนวัตธาทรงอารมณ์ได้มีสินห้าบริสุทธ์พอใจแล้วเราถ้ามีสินห้าบริสุทธิ์จริงๆก็สแสดงว่าเ ร, ร า, ร า, รราเป็นพระพุทธเจ้าประทานอริยสงฆ์อันนี้ไม่คกงแล้วเราเป็นประโสโดาปันแน่ถ้าเป็นประโสดาบันในการถอยหลังจะเป็นสัตว์รบเป็นสัตกระจายกติสัทไม่มี บาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาสลายตัวหมดมันไม่หายและบาปเป็นมาตามไม่พันมีทางเดียวคือกล้าปฏิภาณพระพุทธโคดอาจารย์ยรจันนาพระมีสุภราท่มบอกไว้ตรงว่าบุคคลใดทั้งกำลังใจถึงประโสดาบันในทิศทาง ใ, ใดให้ทำใจเข้าถึงอรหันต์ในทิศทางนั้นหมายความนั่งยังไม่ทันลุกให้ถึงอรหันต์เลยใช่ไหมก็ไม่เป็นบาปต่ำต่ำขั้นตอน เขาโดดกันทุกคนท่า น, น, นี่ของวันดาจะผู้ศึกษาไเป็นคนวันนี้มาไกใลใสงไกล